โดยลักษณะนั้นมีการกระสับกระสายคือผู้ที่มีโศกเข้าครอบ ง, งำเนี่ยท่านบอกว่ามีอาการกระสับกระสายภายในคือภายในจิตเนี่ยกระสับกระสายเจ้าร้อนเพราะว่ามันไปแผดเผาใจอยู่เนืองนิดภายในใจเนี่ยร้อนจะร้อนอยู่ภายในอกจะบอกอาการร้อนเนี่ยมันจะแผด เขาหัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเราห้อยถึงเป็นอาการปรากฏเราห้อยถึงเราห้อยหา <c oughs> เนี่ยเป็นเรื่องของโศกกระทีนี้ที่ว่าโศกกระเป็นทุกข์นั้นก็เพราะว่าความโศกกระเนี่ยมันเป็นทุกข์โดยสภาพแล้วก็ทุกข์ที่ไหน ตัมันทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจสองอย่างให้เกิดความทุกทางกายแล้วก็ให้เกิดความทุกทางใจความทุกทางกายนั้นท่านอุปมาเหมือนหัวฝีเหมือนฝีนะคนเป็นผีเนี่ยมันจะค่อยๆเจริญขึ้นจากหัวเล็กไปสู่หัวใหญ่สุกงอมแล้วฝีนั้นแตกออกไป น้ำเหลืองไหลอันนั้นเป็นอาการทุกข์ทางกายท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับเป็นหัวฝีคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกออกไปเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์คนที่เกิดโศกกะก็เหมือนกันเขาบอกอาการโศกกะเนี่ยเมื่อเราถูกโศกกะแทดเผาใจให้เราร้อนมากๆแล้วบางคนร้องไห้น้าตาเป็นสายเลือด แต่ยังไม่เคยเห็นสักทีว่าน้ำตาเป็นสายเลือดนั้นอย่างไรแต่ในอศัศกาถาท่านบอกว่าอาจจะต้องอาเจียนออกมาเป็นโลหิตสีดำๆอาการอาเจียนเป็นโลหิตเนี่ยอาจจะจริงเพราะเสียใจมากๆก็อาจจะอาเจียนได้อาจเจียนเป็นโลหิตได้แต่ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเนี่ยยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ตาแดงๆ เหมือนกับมีเลือดมาคั่งอยู่แต่ยังไม่ไหลออกมาเป็นน้ำตาเราเห็นอาการอย่างนี้เท่านั้นเนี่เป็นอาการที่เด็กหมทุกทางกายทีนี้ทุกทางใจละ่ะท่านบอกว่าอาการที่เป็นทุกทางใจนั้นก็คือโทมนัสนั่นเองเพราะใจเนี่ยจะจมอยู่ในห่วงแห่งความระหอยหาแห่งความคนึงถึงตลอดการ สิ่งใดที่ตัวเองเกิดความรักความพอใจแต่สิ่งนั้นพัดพลาดไปก็เกิดความละห้อยหาเกิดความคำนึงถึงนึกถึงครั้งใดก็เป็นทุกครั้งนั้นเสียใจครั้งนั้นนั่นเป็นความทุกข์ทางใจคือเมื่อนึกแล้วแล้วเกิดเสียใจขึ้นนั่นเป็นอาการโศกทารันใจนี่เป็นอาการของโศกทีนี้ปริเทวะเนี่ย ปริเทวะนั่นคือบ่นเพ้อรำพันเช่นบ่นว่าแม้ของสิ่งเนี่ยเรารักเหลือเกินบัดนี้ได้สูญหายไปแล้วคนคนนี้ดีเหลือเกินบัดนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วแล้วก็พรฒนาถึงเรื่องต่างๆทั้งความดีความไม่ดี เรียกว่าปริเทวนาการเพราะว่าคำว่าปริเทวเนี่ยฉันบอกมีพลนาทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีทั้งสองอย่างบางคนพลนาถึงสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นปริเทวบางคนพลนาถึงสิ่งที่ดีก็เป็นปริเทวคือไม่ใช่ร้องไห้เฉยๆร้องไปก็บ่นไปร้องไปก็บ่นไปอย่างนี้เรียกว่าปริเทวนาการอาการอย่างนี้เป็นปริเทว เป็นทุกข์ทางทางกายและทางใจเป็นทุกข์ทางกายนั้นก็คือผู้ที่ปริเพวนาการนั้นอาจจะร้องไห้ไปบ่นไปตีอกชกหัวไปบางทีอาจจะต้องเอาศรีรษะไปโขกกับข้างขวาอาจจะต้องไปทรมานโทรกรรมไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ําไม่ยอมหลับยอมนอนอย่างเนี้ยเป็นความทุกข์ทางกายส่วนความทุกข์ทางใจนั้นก็เหมือนกับโสกเหมือนกันคือโทมนัต เ ว, ว่าเมื่อบนเพอรำพันไปถึงจุดที่ชวนเศร้าก็ยิ่งจะโศกมากขึ้นไปอีกเช่นอย่างคนดีตายไปเนี่ยพอพูดถึงความดีของคนคนนั้นก็แม้ทําให้เสียดายมากขึ้นเสียดายมากขึ้นอย่างเนี้ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นโศกปริเทวะนี้ที่ว่าเป็นทุกข์นั้นคือเป็นทุกข์ทั้งทางกายและก็ทางใจทั้งสองอย่าง และสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากความอยากมีอยากเป็นความมีความเป็นไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรละมันก็เป็นเหตุแห่งโซกปฏิเทวะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามปฏิบัติตนเพื่อไปสู่ความไม่มีและเพื่อไปสู่ความไม่เป็นแล้วเราก็จะไม่ประสบกับทุกเบ็ดเตล็จทั้งสองอย่างนี้คือที่เรียกว่าเป็นทุกเบ็ดเตล็จนั้นแนะ่ะเพราะว่าไม่สาธารณะแกะ่ สรรพสัตว์ทั่วไปเป็นทุกข์เฉพาะตัดบางประเภทเท่านั้นที่มีความยึดถือด้วยอุปาทานมากก็จะเกิดความทุกข์แบบนี้มากนี่เป็นความทุกข์ทั้งสองอย่างคือสโสกทุกข์และปริเทวทุกข์ส่วนทุกข์ของทวมนาาาัสสากับอุปาญาต์นั้นะจะได้นำมาบรรยายในวันอาทิตย์หน้าต่อไป วันอาทิตย์นี้เวลาของการบรรยายเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ได้เสียสละมาฟังท่านสาวุชนทั้งหลายการบรรยายวิสุทธิมรรคในวันนี้จะได้เริ่มบรรยายวิสุทธิมรรคในนิเทศที่สามคือปัญญานิเทศ ซึ่งเป็นนิเทศสุดท้ายแห่งคำทีวิสุทธิมัช ก, การบรรยายวิสุทธิมัชนี้ชื่อของคำทีนั้นได้บ่งชัดแล้วว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเราจะอุประมาณว่าการศึกษาหรือการปฏิบัติตามคำทีพระวิสุทธิมัชนั้น ก็คือการดาเนินไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดทางจิตใจก็ไม่ผิดถ้าการปฏิบัติหรือการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงกึ่งทางของทางเส้นนี้ก็ว่าเราได้ศึกษาในสมาธิมิเทศจบลงไปทั้งหมดทั้งสี่สิทวิธี ปัญญานิเทศซึ่งเป็นนิเทศสุดท้ายอันเป็นเรื่องของปัญญานั้นถือเป็นการชราระจิตให้บริสุทธิ์ในขั้นสุดท้ายตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาหมายถึงว่าถ้าเมื่อใดเรายังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ ต่อเมื่อใดมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงจะสามารถปฏิบัติตนไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ปัญญาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เราบริสุทธิ์นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าปัญญาในพระพุทธศาสนา น, นั้นคืออะไรอะไรที่เรียกกันว่าปัญญาก็าปัจจุบันนี้ เราจะได้ทราบและได้ยินบ่อยๆทั้งในทางเสียงและในทางอักษรคือการอ่านเราจะพบคำว่าปัญญาชนหนาหูขึ้นและคำว่าปัญญาชนนั้นระหมายถึงคนที่มีการศึกษาระดับสูงถึงขั้นอุดมศึกษาเราก็สมมติกันว่าบุคคลประเภทนี้เป็นปัญญาชนคือเป็นคนที่มีปัญญา ชื่อคือคำว่าปัญญาชนนั้นเป็นชื่อที่ไพร่เราะอยู่แล้วก็หลายท่านด้วยกันก็ใช้ด้วยความภาคภูมิใจคนที่มีปัญญานั้นในทางโลกเราเรียกกันว่าปัญญาชนปัญหาจึงมีว่าปัญญาที่ชาวโลกเราเข้าใจนั้นเป็นปัญญาประเภทไหนจะเหมือน ก, นกันกับปัญญาที่พระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้หรือไม่ เพราะว่าเรื่องของปัญญานั้นเป็นเรื่องที่สูงส่งเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์หมดจดของจิตใจในสมัยก่อนนั้นเราได้ใฝ่ฝันกันว่าคนเราจะเจริญได้หรือแม้แต่หมู่ชนใดจะเจริญรุ่งเรืองได้หมู่ชนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีปัญญา ทุกคนก็คบคิดกันว่าเราจะได้ปัญญานี้มาเป็นมรดกของชุมชนหรือของประเทศแต่แประเทศเนี่ยได้อย่างไรหลายๆท่านก็บอกว่าเราจะได้ปัญญามาต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นและเมื่อคนมีปัญญาแล้วชุมชนนั้นก็พ้นจากความป่าเถื่อนชุมชนนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนจะใช่เหตุผล ในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแต่ทั้งๆ ท, ที่ทั่วโลกได้ทุ่มเทในเรื่องการศึกษากันปรับปรุงการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นเวลาศตรวตรรษทั้งๆ ท, ที่เป็นเวลาเป็นศตรวตรตรษศตวรรษจนกระทั่งสถาบันการศึกษาต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้สังคมมนุษย์ หรือโลกมนุษย์นี่มีความร่มเย็นเป็นสุขได้กลับตรองกันข้ามการเบียดเบียนกันการฆ่ากันกับรุนแรงหนักขึ้นกว่าคนที่ขาดปัญญาเหมือนอย่างในสมัยก่อนสมัยที่โลกเรายังไม่เจริญปัญญาของคนมีน้อยก็ยังก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมมนุษย์ไม่น้อยเหมือนกันเช่นอย่างการลบปลาฆ่าวันซึ่งกันและกันเนี่ย ในสมัยนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีน้อยแต่ถึงกระนั้นคนในสังคมก็ยังมีการฆ่ากันถ้าเราศึกษาดูประวัติศาสตร์ในบางเรื่องเราจะเกิดความทึ่งใจว่าทำไมคนในสมัยก่อนเนี่ยจึงได้ใช้สติปัญญาของตนเองไปในทางเบียดเบียนกันแล้วก็การเบียดเบียนกันครั้งนั้นก็ไม่เจริญเหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ แต่ถึงกระ น, นั้นก็ทํากันได้อย่างกว้างขวางเช่นเราศึกษาเรื่องเจงกิสคานเจงกิสคานเนี่ยอยู่ในเมืองจีนแต่แกทํายังไงถึงได้อพยพยกกองทัพไปตีถึงยุโรปได้ทั้งๆ ท, ที่ในสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมันย่างในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยเราข้ามมาหาสมุทรมาฆ่ากันมันก็ไม่อัศจรรย์ แต่ในสมัยก่อนข้ามมหาสมุทรไปฆ่ากันได้เนี่ยเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่าทำไมถึงได้ใช้ความภาพเพลยนกันถึงขนาดนี้ญาตราทับกันไปทางไหนไปฆ่ากันถึงได้ทางยุโรปตีไปเรื่อยอเล็กสนเด็จมหาราชก็ตีมาได้จนทั่งถึงแผ่นดินอินเดียนั่นจากกรีกมาอินเดียซึ่งก็ต้องใช้การเดินการเดินทับสมัยนั้นก็คือการเดินเท้า อย่างดีก็ใช้มา้าใช้ช้างลาต่างเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์แต่ถึงขนาดนั้นก็ฆ่ากันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญานั้นเราจึงน่าจะได้ศึกษากันให้ถูกต้องว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรหลางจากการที่เราเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่เป็นเหตุให้คนมีปัญญาคนมีการศึกษาก็เลยสําคัญว่าตนเองเป็นปัญญาชน คนที่ไม่มีการศึกษาก็เท่ากับเป็นอันธชนคือเป็นคนมืดคนบอดไปหรือเป็นอนาระยะชนเป็นคนป่าเถื่อนคนไหนที่ไม่มีการศึกษากลายเป็นคนป่าเถื่อนแต่ถ้าเรานึกย้อนไปถึงบรรพบุรุษของเราดูบ้างว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนึกย้อนจากนี้ไปประมาณหกสิบปีบางท่านไม่ได้เรียนหนังสือจากนี้ไปหกสิบปีไม่ไดเรียนหนังสือแต่ท่านที่มาเรียนหนังสือนี่แหละ ได้สร้างความเจริญแก่วงตระกูลทําประโยชน์แก่ชาติมาตามลา ด, ำดำับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังดีก็เซ็นชื่อได้หรือบางทีก็อ่านออกเป็นบางตัวในชีวิตอาตมาเองก็ยังพบผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกมากในสมัยที่เป็นเด็กและจากการที่ได้พบท่านผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกเนี่ย เราเป็นเด็กเราก็มีเงินไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนทุกวันทุกวันด้วยการรับจ้างอ่านหนังสือให้คนแก่ฟังหนังสือวัดเกาะ น, นี่อ่านกับจะทุกเรื่องพอตอนค่ําๆเราก็นอนอ่านหนังสือให้คนแก่ฟังและจากการที่ได้อ่านหนังสือเราก็ได้สตาร์งไปรับทานขนมในชีวิตอตาตมาเองยังมีผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้หนังสือแยเหมือนกันปัจจุบันนี้หลายท่านก็ บอกยังเซ็นชื่อไม่ได้แต่เรามาเทียบดูในด้านของคุณธรรมและความสามารถของบุคคลจากคนที่ศึกษามีปริญญากับบรรพบุรุษของเราซึ่งไม่มีปริญญาสมรรถภาพในการทำงานคุณธรรมในใจแตกต่างกันมากเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคบคิดกันว่า การศึกษาเท่านั้นหรือที่ทำให้คนเป็นปัญญาชนพระราชาทะเลขาของกระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีตอนหนึ่งที่ระบุถึงเรื่องนี้ไว้มีไปถึงสมเด็จพระมหาสมณเจา้กากรมหลวงวชิรญาณวโรรสในสมัยนั้นได้ทรงปรัสถึงเรื่องนี้ว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนั้น จะกล่าวว่าเป็นคนฝ่าคนถือนหาได้ไม่หรือคนที่เรียนหนังสือมีความรู้มากจะกล่าวว่าเป็นคนที่เป็นอารยะชนก็ไม่ได้เพราะบางคนที่มีความรู้มากกลับใช้ความรู้มากนั้นไปทำความชั่วด้มากคือคนที่ฉลาดมากรู้มากจะทำความชั่วมากคน ท, ที่รู้น้อยหรือไม่รู้อะไรเลยแม้จะทำความชั่วก็ไม่รุนแรงไม่หนักหนาจนเกินไปนัก ก็ฉะนั้นจึงขอให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยทรงเอาพระทัยใส่ต่อการที่จะสอนศีลธรรมแก่เด็กโดยเฉพาะกุลบุตรที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมควรที่จะได้ศึกษาจริยศึกษาควบคู่กันไปถ้าคนขาดศีลธรรมหรือจริยธรรมแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่สังคมอย่างยิ่งข้อนี้เป็นพระราชดํามริที่ได้เห็นอ่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจากผู้รากมากดีทั้งหลายหรือจากลูกท่านหลานเธอที่ไปเรียนทางยุโรปว่าไปประพุิตนในทางเสื่อมเสียขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมไม่รักชาติบ้านเมืองของตนไม่รักเกียรติวงตระกูลจึงได้ดำริที่จะต้องสร้างคนไทยใหม่คือแทนที่ในชาติของเราจะให้แต่การศึกษาถึงวิทยาการต่างๆเพียงประการเดียวเราควรจะให้จริยธรรม คือคุณธรรมอันดีงาม น, นั้นควบคู่กันไปด้วยรจริยธรรมนั้นย่อมจะควบคุมคนให้อยู่ในร่องในรอยแม้จะมีสติปัญญาก็คงจะไม่ใช้ปัญญาไปในทางนอกเรื่องนอกราวหรือไปในทางกอความเดือดร้อนวุ่นวายดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นจึงได้ทรงเน้นให้สนระไทยในเรื่องของจริยธรรมให้มากแต่จากนั้นมาเราก็มีหลักสูตรซึ่งถือว่า เป็นหลักการศึกษาแขนงหนึ่งในการศึกษาของชาติก็คือจริยศึกษาเราจะศึกษาในเรื่องใดประตมจริยศึกษาเป็นแขนงหนึ่งของชาติแต่ถึงประนั้นเราก็น่าจะติดตามศึกษาดูว่าจริยศึกษาที่เป็นหลักการศึกษาของชาตินั้นได้สร้างคนในชาติของเราให้มีบุคลิกลักษณะขึ้นมาอย่างไรคนไทยเป็นคนมีคุณธรรมดีขึ้นไหมมีการศึกษาดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณธรรมในใจมีมากน้อยแค่ไหน บุคลิกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเจ้าศึกษากันก็การศึกษาเป็นทางที่จะเพาะปลูกปัญญาให้เกิดคนมีปัญญ า, ถ า, ถาะถาบันจริยธรรมควบคุมคู่กันไปแล้วปัญญานั้นก็เสมือนหนึ่งกับมีดสองคมซึ่งอาจจะเฉือนตัวเองก็ได้อาจจะเฉือนคนอื่นก็ได้ดังที่เราได้ทราบกันอยู่ในปัจจุบันนี้และความเดือดร้อนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ก็เกิดมาจากคนที่อวดอ้างว่าเป็นปัญญาชนท้งนั้นที่ทำให้เดือดร้อนส่วนตรีตรสาที่อ่านหนังสือไม่ออกนั้นก็ก้มหน้าทรมาหากินเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปไม่ได้ก่อปัญหาอันใดให้เกิดขึ้นเราน่าจะได้ศึกษากันดูว่าปัญญาตามหลักของพระพุทธศาสนานั้ น, น, นคืออะไรและลักษณะของปัญญานั้นเป็นอย่างไรราะว่าทุกท่านนั้นย่อมจะ มีความต้องการปัญญาด้วยกันทั้งนั้นเพราะปัญญาเนี่ยเป็นลัตนะของนอรชนพระพุทธเจ้าท่านกรตราวแต่ว่าปัญญาเสมือนหนึ่งดวงแก้วเหมือนกับเป็นรัตนะประจาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยใครก็ตามถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วย่อมจะนําชีวิตไปสู่ความเจริญได้หรือย่อมจะบรรลุถึงพึ่งความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ถ้าเป็นคนมีปัญญา เราอยากได้ปัญญาแต่เราก็ต้องศึกษาดูว่าปัญญาที่เราได้มานั้นมันเป็นปัญญาแท้หรือปัญญาเทียมหรือปัญญาปลอมเราก็ต้องศึกษากันดูให้ดีเพราะถ้าปัญญาที่ได้นั้นไม่ใช่ปัญญาที่แท้แล้วมันกลายเป็นปัญญาปลอมปัญญานั้นก็จะช่วยอะไรเราไม่ได้ที่ว่าปัญญานั้นย่อมจะนำสัตว์ไปสู่ความบริสุทธินั้นก็ไม่สามารถที่จะบริสุทธิ์ได้ ก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้ในปัญญานิเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพุทธโคสาจารย์ที่ท่านได้รจนาคำทีวิสุทธิมักอันเป็นการย่อพระไตรปิฎกลงไว้ในศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศเนี่ยท่านจึงได้เน้นถึงเรื่องนี้ว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรท่านตั้งเป็นคําถามประเภทกระเทตุกัมมยาตาปุจฉาไว้ ทั้งหมดหกข้อดดียกันท่านตั้งปัญหาถามว่าอะไรชื่อว่าปัญญานี่เป็นข้อที่หนึ่งอะไรชื่อว่าปัญญากระเถตุกรามยาตาปุจฉาข้อสองที่ชื่อว่าปัญญานั้นเพราะอัตถวา่าอะไรประการที่สามปัญญานั้นมีลักษณะและรสและความปรากฏและประทับฐานเป็นอย่างไร 4. ปัญญานั้นมีกี่อย่างหาจะต้องเจริญอย่างไรห ก, การเจริญปัญญานั้นมีอานิสงส์อย่างไรคือมีประโยชน์อย่างไรอันเป็นข้อสรุปในข้อสุดท้ายของคำถามซึ่งทั้งหข้อนี้เราจะได้ศึกษาไปตามลาดับเพื่อความเข้าใจว่าปัญญานั้นคืออะไร ปัญหาแรกนี้ที่เราจะต้องศึกษากันนั้นก็คืออะไรที่เรียกว่าปัญญาซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญญาเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะทั่วไปนั้นเข้าใจว่าคนไหนก็ตามที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆเรามักจะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนมีปัญญาซึ่งความจริงความรู้บางอย่างนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยปัญญาเลยก็รู้ได้แต่ความรู้บางอย่างต้องอาศัยปัญญาจึงจะรู้เพราะฉะนั้นอะไรที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยท่านจึงบอกว่าปัญญาเนี่ยมีหลายๆายอย่างแล้วก็มีประการต่างๆกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะแก้ความว่าอะไรที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยให้แจ่มกระจ่างแล้ว ท่านก็บอกว่าหมายถึงวิปัสนาญาณอันสัมปยุต ด, ด้วยกุศลจิตชื่อว่าปัญญาวิปัสนาญาณอันสัมปยุต ด, ด้วยกุศลจิตเรียกว่าปัญญาซึ่งอันนี้อาจจะสูงไปในทัศนะของชาวบ้านคําว่าปัญญ า, าคือวิปัสนาญาณอันสัมปยุต ด, ด้วยกุศลจิต คำว่าวิปัสนาญาณเนี่ยหมายถึงญาณที่รู้แจ้งหมายถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามประกอบกับมหาปุสสนจิตคือต้องมีต้องประกอบกับมหาปุสสนจิต ด, ด้วยคือต้องประกอบด้วยจิตที่ดีที่เป็นมหากุศลด้วยจึงจะชื่อว่าปัญญานั้นวิปัสนาญาณเนี่ยที่ว่าญาณคือความรู้แจ้ง ถ้าถามว่ารู้แจ้งในอะไรในธรรมะใช้คำว่านามรูปรูเป็นสภาวะประมาถ ธ, ธรรมรู้แจ้งในนามรูปก็คือรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปนี่อยู่ที่ไหนนามรูปก็คือชีวิตเราทั้งทั้งชีวิตนี้เองความรู้แจ้งในชีวิตนี้ทั้งชีวิตนั่นแหละคือปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยาก หมายถึงว่าการศึกษาอันใดก็ตามที่ทำให้คนเข้าใจในความเป็นคนโดยแจ่มแจ้งแล้วอันนั้นนะคือปัญญาถ้าเรารู้จากตัวเราคือใครเข้าใจในชีวิตนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วและประกอบด้วยกุศลจิตนั่นนะคือปัญญาถ้าเรารู้เรื่องอื่นแต่ไม่รู้เรื่องชีวิตของตนเองเลยก็ยังชื่อว่าเราเนี่ยยังไม่มีปัญญายังขาดปัญญาซึ่งอันนี้เราจะศึกษาได้จาก การศึกษาในปัจจุบันนี้การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราศึกษารู้เรื่องราวต่างๆหลายๆเรื่องรู้ศาสตร์ต่างๆหลายๆศาสตร์แต่ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรารู้นั้นเป็นความรู้ที่ทําให้เรานี้ห่างเหินจากความเข้าใจในชีวิตเนี่ยมากขึ้นตามลำดับท่านทั้งหลายจะพบปัญหาบ่อยๆแม้แต่ผู้ที่มีการศึกษามาดีแล้วถ้าหากว่า เรามานึกถึงสภาพความจริงของชีวิตแล้วเราจะทราบทันทีว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับคนไม่รู้อะไรเลยเป็นคนมืดมนหมดในเรื่องของชีวิตแต่ในเรื่องที่นอกตัวเราออกไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของดาราศาสตร์หรือแม้แต่ในเรื่องของจักรวาลอื่นเราอาจจะรู้ถ้าไปเรื่องนอกตัวเราอาจจะรู้หมดแต่พอถึงเรื่องชีวิตของตนเองเราไม่รู้เลยว่า ชีวิตนี้คืออะไรและตัวเราที่เป็นสมบัติของเราแท้ๆเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังและมันมีสภาพความจริงเป็นอย่างไรเวลาตายมันตายอย่างไรและจะไปเกิดที่ไหนต่อไปอีกเรื่องชีวิตอย่างนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเสมือนหนึ่งว่าเราเนี่ยยังขาดปัญญาในที่นี้ท่านจึงให้คำจากัดความว่าอะไรคือปัญญาท่านจึงให้ความจากัดความถึง วิปัสนาญาณอันสัมปยุทธ์ด้วยกุศลจิตนั่นแหละจึงจะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในตอนนี้ว่าคําว่าปัญญาในที่นี้ยหมายถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของรูปนามหรือชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องประกอบด้วยกุศลจิตคือจิตที่ประกอบกับปัญญานั้นเป็นจิตที่ดีด้วย เป็นจิต ท, ที่เป็นกุศลด้วยอันนั้นชื่อว่าปัญญาเรื่อปัญหาข้อที่สองที่ว่าที่ชื่อว่าปัญญานั้นเพราะอัตวะกะไรท่านแกว่าเพราะอัตวะรู้ทั่วรู้ทั่วคำว่ารู้ทั่วในที่นี้รู้ทั่วอย่างไรท่านบอกว่าได้แก่ความเข้าใจโดยประการต่างๆ ความเข้าใจโดยประการต่างๆเรียกว่ารู้ทั่วหรือว่าการเข้าใจในประการต่างๆอันพิเศษไปจากความเข้าใจธรรมดาทั่วไปจากสัญญาและวิญญาณ น, นั้นเรียกว่าปัญญาคำว่ารู้ทั่วเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าความรู้บางอย่างนั้นเรารู้ไม่ทั่วรู้จริงแต่ว่ารู้เล็กๆน้อยๆ อย่างที่เราพูดเป็นสมนวนสมัยก่อนนี่ว่ารู้แบบงูง ป, ลปลาปลาคือจะเป็นงูก็ไม่เหยีเป็นปลาก็ไม่เชิงรู้แบบงูงูปลาปลาเป็นความรู้ประเภทที่ไม่รู้ทั่วการไม่รู้ทั่วเนี่ย เ, เป็นอันตรายต่อความบริสุทธิ์เป็นอันตรายต่อคุณธรรมอย่างยิ่งเพราะถ้ารู้อะไรไม่ทั่วรู้อะไรไม่จริง อาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่รู้นั้นคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปเวลานี้ที่ยุ่งยากกันบ่อยๆก็เพราะว่าเกิดมาจากคนรู้ไม่จริงรู้อะไรรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงถ้าหากว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงแล้วแล้วเราไม่ใช้ความรู้อันนั้นออกไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ไม่จริงด้วยรู้ไม่ทั่วถึงด้วยแล้วยังอวดแสดงความรู้ด้วยอันนั้นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะว่าตัวเองรู้อะไรไม่จริงรู้ไม่ทั่วถึงและก็ใช้ความรู้ที่ไม่จริงที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยแสดงออกไปยิ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้อะไรแต่รู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงแล้วก็ไม่ควรที่จะแสดงความรู้อันนั้นออกไปต่อเมื่อใดรู้ทั่วแล้วน่ะจึงจะไม่ผิดพลาดในนี้ที่รู้ไม่ทั่วนั้นน่ะรู้แบบไหนฉับอกความรู้ประเภทที่เรียกว่ารู้ไม่ทั่วนั้นคือรู้แบบสัญญา กับรู้แบบวิญญาณอรูปรู้แบบวิญญาณปัญหาจึงมีว่ารู้แบบสัญญาเนี่ยรู้ยังไง ร, รู้แบบสัญญาสัญญาเนี่ยแปลว่าความจําคนที่รู้แบบสัญญานั้นก็คือรู้แบบไปจาคนอื่นเข้ามาเช่นไปจําที่เขาเขียนมาไปจําที่เขาพูดมาไปจาที่เขาว่ามาแล้วตัวเองก็มาแสดงออกอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสัญญา มีแต่ความจําอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่มีความรู้แจ้งในสิ่งนั้นอย่างเราไปอ่านหนังสือพบเราก็จำเอามาเราก็ได้ยินใครก็พูดเราก็จำเอามาแล้วเราก็เข้าใจเอาความจําจากการที่เราได้อ่านจากการที่เราได้ฟังเนี่ยมาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตรงกับความจริงที่ปรากฏแม้แต่เรื่องที่ท่านไปรู้มาจะอ่านเรื่องในหนังสือพิมพ์ก็ดีในเอกสารใๆก็ดี หรือจากการฟังคนพูดก็ดีบางทีท่านไม่ได้เรื่องจริงมาหรือบางทีมันมีเข้าโครงแห่งความจริงอยู่บ้างแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะต้องคลาดเคลื่อนกัไปไกลแสนไกลอันเนี้ยเป็นความจริงถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะพบว่าการรู้ไม่ทั่วก็คือรู้แบบสัญญาประเภทที่คอยจำเข้ามาบ้างและเมื่อตัวเองจาเอามาบางทีก็จามาผิดเมื่อจามาผิดก็ทาให เกิดความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรารู้ด้วยสัญญาแล้วสิ่งนั้นยาวินิจฉัยลงไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านทั้งหลายต้องใช้ปัญญาให้มากเพราะคนถ้าหากว่ามีสัญญาแล้วเนี่ยเป็นคนทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายจะเป็นคนเชื่อง่ายบางทีได้ยินเขาพูดก็เชื่อได้อ่านเข้าว็คเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็กลายเป็น บาปเป็นกรรมไปก็มีเพราะว่าไอสิ่งที่ตัวเองได้ยินก็ดีสิ่งที่ตัวเองได้ฟังมาหรือได้อ่านมานั้นมันไม่เป็นความจริงบางครั้งก็ทำให้